มาเก็บตกเช้านี้ก็จะมาพูดหรือถุนเรื่องการทําบุญเพราะชาวพุทธเนี่ยกับการทําบุญเนี่ยเป็นของคู่กันแต่การทําบุญของบางคนก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะละกิเลสเอาดีหมายถึงเอาสิ่งตอบแทนฝ่ายนมามธรรมที่จะได้มากอย่างเช่นวันหวยออกเนี่ยคนี่จะทําบุญกันมากเลยที่ฐานควายถูกหวยหรืออื่นอีกมากมาย ขอให้มีความเจริญในหน้าที่การงานเจอคนรักหรือหมดเคราะห์หมดโศกต่างๆส่วนใหญ่ก็ให้ทำบุญกันแบบนี้บุญคือชื่อของความสุขถ้าเราทำบุญเป็นเราก็มีความสุขและมีวิธีการทำบุญต่างๆมากมายอย่างเช่นการให้ทานการให้ทานนี่ก็รวมถึงการทำบุญใส่บาทด้วยถ้าเราทำบุญด้วยจิตที่ปิกุศลการใส่บาทให้พระเนี่ยก็ถือว่า ทำให้พระเนี่ยได้มีอาหารจะได้มีกำลังสามารถภาวนาหรือไม่ก็เรียนธรรมะและมีผลประโยชน์ตามมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดธรรมะโยมฟังหรือดูแลวัดช่วยทรุ ป, ปํำรุงพระศาสนาให้ดำรงต่อไปบุญอื่นก็คืออาจจะช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภยัย ไฟไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือปัจจุบันเนี่ยก็มีโควิดระบาดก็มีคนเดือดร้อนมากมายก็มีคนใจบุญเนี่ยทำบุญแบ่งปันไม่จะเป็นเงินทองหรือของใช้กประทาทุ์ให้คนเหล่านี้บางคนก็สาะที่เพื่อให้ตั้งโรงพยาบาลสนามก็มีแต่เป้าหมายของการทำบุญการให้ทานเนี่ยก็คือการล้นละกวาเห็นแกตัวในสมัยพุทธกาลเนี่ย ขณะที่พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมเนี่ยก็มีพามอยู่คนหนึ่งนั่งฟังธรรมไปด้วยความตั้งใจจนเกิดปิติอยากจะทำบุญให้แก่พระพุทธเจ้าแต่าพามคนนี้เป็นคนยากจนมากเลยมีผ้าแค่ผืนเดียวแถมต้องใช้กับภรรยาด้วยนะคือไม่เรือดจนหาคนจนกว่า น, นี้ยากแล้วฟามคิดที่จะให้เนี่ย พออยากจะให้ก็นึกถึงภรรยาโอ้โหเราใช้กันสองคนนะแล้วเราจะเอาอะไรใส่ก็เลยตัดสินใจไม่ให้ดีกว่าอันนี้คิดตแต่หัวข้ามแล้วพอถึงช่วงกลางคืนมัชชิมะยามเนี่ยก็มีความคิดนี้อีกขณะที่ฟังธรรมก็เกิดปิติอยากอยากถวายผ้าให้พระเจ้าแต่ก็มีความคิดเดิมมแหละผุดขึ้นมาความคิดที่ตนี กระแพ้อีกพามก็ไม่ได้ให้จนมาช่วงประชิมยามคือช่วงแบบใกล้สว่างแล้วพานตัดสินใจเป็นไงเป็นการตัดสินใจเด็ดขาดและในสุดก็ชนะสามารถถวายผ้าให้พูุทธเจ้าได้ทั้งที่แกมีอยู่ผืนเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ตะโกนมา เ, เราชนะแล้วชนะแล้วเจ้าประเทศรศที่โกศนอยู่แถวนั้นได้ยินเอ๊ะใครมาชนะอะไรแถวนี้ จึงเข้ามาอาตัยถามดูจึงรู้ว่าโอ้าพามเนี่ยชนะเพราะให้ผ้าผืนเดียวแกพระพุทธเจ้าเจ้าพระเถรที่กุศลเนี่ยชอบใจนะก็เลยให้ผ้าพามให้เท่าไหร่เท่าไหร่แกก็ไปให้พระพุทธเจ้าหมดเลยเหลือไว้ใช้แค่ผืนเดียวคู่เดียวตอนหลังก็ได้ได้ทรัพย์ ส, สมบัติมากมายกลายเป็นคนรวยเลยเพราะการให้ผ้าผืนเดียวเนี่ยอันนี้เป็นที่สง์ แต่ที่ทําให้ยากคือแกดรดความเห็นแก่ตัวไงเพราะว่าคนเราทีท่จะทําทานทําบุญเนี่ยส่วนใหญ่จะมีฐานะหรือไม่ทำแล้วไม่เดือดร้อนไงแต่พามเนี่ยมันทำแล้วเดือดร้อนแต่ก็กล้าทํำไงอันนี้จึงถือเป็นตัวอย่างของการที่ทําบุญแบบหมดเนื้อหมตัวทําเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวความตันทีเหนียวข้อต่อมาจากการรักษาศีลรักษาศีลก็ได้บุญนะเพราะว่าถ้าเรามีศีลห้า เราไม่ต้องพูดถึงศินที่สูงกว่ า, น, า น, นั้นหรอกแค่สินห้าก็พอชุมชนนั้นจะอยู่กันผาสุกเลยการไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนการไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูก ผ, ผิดมีคนอื่นการไม่พูดโกหกการไม่ดื่มสุราเมียร้ยสิส่งสติต่างๆเนี่ยถ้าใครทําได้นะก็อยู่กัรบราบรื่นละตํารวจไม่ต้องมีก็ได้เพราะสินข้อแรกเนี่ยอย่างฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็เป็นหลักปาการะกันชีวิตข้อยสองลักทรัพย์เป็นเป็นหลักประการทรัพย์สิน ข้อที่สประพฤติผิจแต่กามเนี่ยก็เป็นหลักประกันครอบครัวถ่ายครอบครัวอยู่กันแบบผาสุขข้อที่4ี่พูดโกหกเนี่ยก็เป็นหลักประกันสังคมทําให้สังคมน่าอยู่ไงเพราะคนโกหกไม่ทาชั่วไม่มีแต่ข้อที่5เนี่ยเป็นหลักไอการดื่มสุรามีอะไรเนี่ยหรือการเสพสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยถ้ารักษาได้ก็กลายเป็นหลักประกันสุขภาพ พอทุกวันนี้โรงพยาบาลก็จะมีคนป่วยมากมายเลยคนป่วยก็รักษาพวกนี่แหละพวกกินเหล้าพวกดูบุหรีพวกเสพยาและอื่นๆอีกมากมายอันที่ส่งการรักษาศีลมีมากมายนะมีชายอยู่คนหนึ่งกลเป็นคนฝ่ายธรรมมากเลยวันไหนว่างๆก็ไปเข้าป่าเพื่อฝึกสมาธิเจริญภาวนามีวันหนึ่ง นั่งสมาธิไปจนเครียดอะ่ะเพราะสมาธินั่ง น, นานเครียดได้เลยเดินออกมาผ่อนคลายแถวริมสะสะนั้นมีบัวมากมายเลยบัวเต็มสะเลยบัวก็ออกดอกบานสะพังชายคนนี้กเ็เลยเด็ดบัวเพื่อเพื่อจะเอาบัวมาดมแล้วก็เอามาไว้ข้างๆไงเพื่อค่ามสบายใจเด็ดบัวเสร็จแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็มีเสียงแววมา เสียงแวววาวว่าเองเนี่ยบางอาจมาขอบวยบูหงฆ่าชายคนนี้ก็แปลกใจเอ๊ะไม่เห็นมีใครเลยมองซ้ายมองขวาจึงเอ่ยถามว่าท่านเปใครแล้วเหตุใดจึงมาว่าฆ่าขอบวยบูของท่านเสียงนั้นก็เฉลยว่าเป็นเทวดาดูแลสะบัว อ, อยู่แล้วก็ตำหนิชายหนุม่มว่าเนี่ย ไม่รักษาศีลมาขาโมยของผู้อื่นแล้วจะเป็นนักภาวนาได้ยังไงชายหนุ่มก็สำนึกผิดขึ้นมาก็เลยกราบขอขามาเทวดาที่รักษาส า, สาบัวนะต่อทีกหลังจะไม่ทาอีกแล้วทำเพราะความหลงผิดชั่วบูบขณะนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินมาชายคนเนี้เห็นดอกบัวในสระงามก็คิดคิดว่าโอ้โหเอาไปเอาบัวไปขายดีกว่าจะได้เอาเงินไปเล่น ไพ่เพราะชายนี้เพิ่งเล่นไพ่เสียบเสียพนันมาไงจึงลงลุยลงไปในสระเลยเด็ดดอกบัวมาหมดเลยแถมทําดินโคลเลตอะเนียนาศชายนักภาวนาก็เห็นแบบนั้นเนี่ยก็จะดูว่าเทวดานะจะว่าชายคนนี้ไหมผลปรากดว่าเทวดาไม่ยอมว่าเลยแม้แต่คําเดียวชายคนนี้เลยน้อยใจถามว่าท่านเทวดาทําไมถึงไม่ตําหนิ ชายผู้นี้จึงเอาดอกบวยบทดข้าเอาแค่ดอกเดียวถ้านตําตหนิต้องมากมายเทวดาบอกเจ้าอย่าน้อยใจเลยเจ้าเนี่ยเป็นผ้าที่ขาวสะอาดพอเปื้อนนิดเดียวเนี่ยก็สมควรตําหนิสมควรทำความสะอาดไอ้ส่วนไอ้คนนั้นเน่ยผ้ามันดำจิตใจห ย, ยาบช้าไม่คู่ควรกันว่าเทวดาก็เลยไม่ว่า โอชายคนนี้อย่เข้าใจทําให้เรานึกถึงบางทีครูบาอาจารย์บางทีสอนลูกศิษย์เนี่ยก็าจะมีมาตรฐานไม่เหมือนกันนะบางทีลูกศิษยบษ์บางคนเนี่ยจิตใจดีงามเหมือนผ้าสะอาดเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะตำหนิแล้วทาอะไรผิดนิดหน่อยก็จะว่ากล้าว่ากล้าบอกแต่บางคนเนี่ยจิตใจหยาบช้าเหมือนผ้าดําอาจารย์ไม่ค่อยบอกหรอกเออองอยากทาอะไรเอาที่สบายใจไม่มีใครเตือนด้วยคือถือว่า ทำไม่ดีก็รับกรรมรับเวรเราเอาเองคือโลกเราก็เป็นอย่างนี้แหละการรักษาศีลจึงมีอันิี่สงบุญข้อต่อมาคือการภาวนาบุญข้อที่เป็นข้อใหญ่เลยถ้าไม่มีภาวนาผู้เราคงไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่เพราะว่าอันิี่สงของหลวงพ่อเทียนหลวงพอ่อขียนพระอาจารย์และครูบาอาจารย์อื่นๆเนี่ยที่ภาวนามาจึงมาตั้งสํานักแล้วมาสอนเรา เพราะธรรมะเนี่ยเกิดจากการคิดตัวเองไม่ได้นะไปอ่านตำราแล้วบรรลุธรรมไม่ได้นะจะต้องมีการภาวนามีการผ่านอารมณ์มาก่อนคือเห็นความเป็นจริงไงถึงมาสอนเพราะถ้าเราไม่ภาวนาเราก็จิตไม่เปลี่ยนเพราะการภาวนานทําให้คนไม่ดีกลายเป็นคนดีได้ทําให้คนโง่กลายเป็นคนมีปัญญาได้มีหลายคนกิเลสมากมายภาวนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตใจเปลี่ยนเลย พอหลัจากแบบบุญคุณโทษก็จากการฮอานาเนี่ยแหละเห็นกรรมเห็นเวนเพราะเราไปอ่านหนังสือเนี่ยก็ฟังคนอื่นเขาเล่ามาเราก็ไม่เคยเชื่ออะไรว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชัว่วแต่ถ้าเกิดบุญกุญญพานามันเห็นเลยว่าเอ้ยเมื่อก่อนเราทําไม่ดีนะจะต้องได้รับผลอย่างนี้พอทําดีต้องได้รับผลอย่างนี้จิตมันจะกลัวไม่กล้าทาบาปทั้งต่อหน้ารับหลังแม้แต่คิดเบียดเบียนคนอื่นหรือด่าว่ า, ากล่าว ทำร้ายเนี่ยเป็นกรรมทางนั้นเลยเหมือนการพอนาจึงมีนี่สงมากเปลี่ยนคนได้ยังหลวงปู่ดูเนี่ยเมื่อก่อนก็มี ม, ม, มีลูกศิษย์เยพาเพื่อนมากราบเพื่อจะมาขอขอศีลขอศีลห้าแหละหลวงปู่ก็ให้ไปนั่งสมาธิก็แล้วกันเพราะไอ้คนที่มันกินเหล้าอ่ะถือศีลนงคนไม่ได้หรอก ให้เองเนี่ยนั่งสมาธิข้าวันละห้าทีก็พออ้ชายวันนี้มันก็รับปากก็เห็นว่าการนั่งสมาธิวันละห้าทีมันง่ายบางทีก็กินเหล้าด้วยนั่งสมาธิด้วยแหละถึงเวลาก็ไปนั่งสมาธิพอทําทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันเกิดรวมขึ้นมาเกิดปิติเห็นความสุขจากการนั่งสมาธิไงตอนหลังไอ้ที่ติดเหล้ามันก็ค่อยเลิกไปไมารู้ว่าการนั่งสมาธิมีความสุขมากกว่ากินเหล้าไงก็เลยเปลี่ยนเลยกลายเป็นคนละคนเลย เพราะการกินเหล้าเนี่ยมันหยาบนะผ่าสุขจากการนั่งสามาธิมันสุขกว่าอันนี้คือนี่สงการภาวนาซึ่งมีมากมายบุนข้อต่อมาการประพฤติอ่อนน้อมผ่มตนข้อนี้ก็แค่เราเจะผู้ใหญ่หยกมือไหว้หรือทักทายพูดเท่ามีความสุขอันนี้ก็ได้บุญกุศลละบุนข้อที่ทำง่าย ข้อต่อมาบุญจากการช่วยเหลือขนกวายบุญข้อนี้ก็คือจิตอาสาคือจิตอาสาช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนะถ้าหวังผลตอบแทนเช่นเงินสิ่งของเนี่ยอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้เป็นข้อแลกเปลี่ยนกันอย่างวัดเราเนี่ยก็มีจิตอาสาเยอะบางทีช่วยการฝาดใบไ ม, ไม้เก็บขยะทำครัวทำอาหารพวกเรากินหรืออื่นอมากมาย จิตาสาเนี่ยบางทีทำแล้วมีความสุขนะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างกุอามาเนี่ยต้นไผ่ต้นไผ่ไล้มบ้างหรือทําท่าล้มหรือมีปัญหาเนี่ยอันมาก็ตามมาหลวงพี่เกื้อมาหลวงพี่เกื้อเนี่ยโอ้โหรีบกุรีกุจรมาเลยเอาลงเอาเลื่อยมาบางทีทําจนเหงื่อท่วมเลยแกมีความสุขนะเพราะว่าได้ช่วยเหลือแล้วก็มีหลายครั้งบางทีไหลต้นไม้ล้มฝังถนนเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วหลวงพี่เกื้อก็มามาตัดเอาออกมาเคลียอะไเงี้ย แกทำแล้วเกิดควมีความสุขก็ทําอยู่เรื่อยเพราะวัดเราเป็นป่าต้นไม้จะล้มบ่อยและสร้างปัญหามากมายหรือบางทีไฟไม่ติดน้ําไม่ไหลอื่นๆมากมายวัดเราเนี่ยจะมีจิตอาสาพระที่เขาตั้งใจช่วยมากมายหลายคนอาลามาเอกชื่อไม่หมดก็เราขอโทษด้วยอย่างการเก็บขยะก็มีที่งสงมากนะคนเราไม่ควรมองข้าม เพราะว่าถ้าขยะสกปรกเนี่ยใครบวชเราก็เห็นโอ้โหเขาก็ตําหนิแล้วโอ้โหวัดป่าสุกโตนี่ทําไมซกมกยังขวดน้ําอย่างนี้เสร็จปาติทิ้งเกลื่อนเลยเงี้ยเสียชื่อวัดเลยนะเนี่ยคนเห็นก็ไม่อยากมาแล้วเพราะมันหมายถึงหมายถึงนิสัยของคนคนที่อยู่ไงกุฏิไหนถ้าสกปรกเนี่ยเขาก็รู้เลยนี่เป็นคนนิสัยยังไงแบบกุฏิแต่ด้วยความสปกปรกหรือห้องน้ําห้องน้ําสกปรกนี่ก็ ถ้าเราไปห้องน้ําสกปรกเราก็เสียสุขภาพจิตเราก็ไม่อยากไปวัดนั้นแล้ว น, นั่นเราจะมีจิตอศาสศาแล้วห้องน้ําอยู่เป็นประจํเพาห้องน้ำสะอาดเนี่ยคนเข้าก็มีความสุขนะมันเป็นบุญแบบทําให้คุณสบายใจแล้วเราก็สบายใจด้วยบุญจิตอศาสศาได้เยอะชักชวนกันมาทําความดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยก็มีนิสสงมากอ่าบุญข้อต่อมาบุญจากการแผ่เมตตาแผ่เมตตา อุทิศกุศลเนี่ยบุญข้อนี้ก็ทำให้เราเนี่ยกระตัญยูนะนึกถึงบรนพกุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดหรือเจ้ากรรมในเวรหรือผู้ิีพระคุณต่างๆบางครั้งเราก็แผ่เบตตาให้พวกสัตว์แล้วก็เทวดาอื่นๆมากมายบางทีก็ให้พวกโควิดหายไป ให้ผู้คนอยู่กันอย่างผาสุกถึงที่ผาไปที่หมายองเงี้ยแล้วก็ทำด้วยจิตใจที่อ่อนโยนถ้าคนทำบ่อยๆจิตใจก็เป็นคนดีงามก็ทำให้ผาสุกได้ฟาเมตตาทำบ่อยๆคนก็รักสัตว์ก็ชอบแล้วก็มีที่สงมากบุญข้อต่อมาบุญจากการอนุมโมทนาเห็นใครทำความดีก็สาธุ บุญข้อนี้ไม่ต้องเสียตังค์เห็นใครฝาด้วไม้ทําให้วัดสะอาดแล้วก็สาธุเห็นโขนทําบุญตักบาตรแล้วก็สาธุน้อมยินดีเขาด้วยเห็นกายถวายสารทานแล้วก็สาธุเห็นใครนั่งสมาธิยกมือเดินจงกรมหรืออื่นๆที่ทําความดีอะแล้วก็สาธุบทเราก็ได้บุญด้วยนะตรงข้ามกับคิดเพ่งโทษอันนี้อาจจะได้บาปแทนบุญข้อนี้ทําง่าย ทำให้จิตเราอ่อนโยนด้วยพออ่อนโยนเนี่ยเราก็ฝึกฝนตัวเองง่ายนะขอจิตใจโยนกับจิตใจบาปเนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ยบุญข้อต่อมาบุญเกิดจากการฟังธรรมการฟังธรรมนี่ก็ก็มีบุญทําให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนบางครั้งเราได้ยินแล้วพอเร า, าฟังใหม่เอา้าแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้น บางครั้งเราสงสัยเรื่องอะไรมาฟังธรรมอา้าวก็หายสงสัยได้เล้บางครั้งจิตคนฟังเนี่ยก็ผ่องใสนะถ้าฟังเป็นก็มีความสุขตั้งใจฟังเป็นสมาธิได้เหมือนกันทําให้กิเลสต่างๆไม่มารบกวนและทําให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องอันบุญการฟังธรรมจึงมีที่ส่งมากทําให้เกิดปัญญาบุญข้อต่อมาคือบุญจากาการแสดงธรรมการแสดงธรรมนี่ ผู้โยมอาจจะต้องคิดว่าต้องเป็นพระเท่านั้นโยมก็แสดงทําได้เช่นเห็นคนที่เขากําลังอกหักไปพูดปลอบโยนหน่อยให้เขามีกาลังใจสู้ชีวิตอันนี้บอกเขามีกำลังใจเหมือนพุทธมรรมือกันนะหรือคนที่ท้อแท้หมดหวงังตกงานหรือจิตใจห่อหี่ยวเนี่ยเราพูดเขาเกิดกำลังใจให้เขาสู้ๆขึ้นมาอันนี้คือการแสดงทรรมหรือคนกำลังทุกข์มากเลยเครียดเราไปนั่งฟังเขา ระบายซะหน่อยยอมให้เขาเปิดใจพูดเย่างนี้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได้พอเขาพูดปุ๊บเขามีความสุขก็เท่ากับเราเนี่ยได้แสงธรรมเหมือนกันนะเพราะการแสงธรรมไม่ได้หมายถึงการพูดอย่างเดียวการฟังก็คือการแสงธรรมหรือการพูดให้คนที่ทุกข์เนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ชี้แนะหนังสือธรรมะอันนี้คือการแสงธรรมเหมือนกันช่วยให้คนเนี่ยสามารถออกจากออกจากทุกข์ได้ บุญข้อต่อมาบุญจากการทําความเห็นให้ตรงหรือความเห็นให้ถูกต้องบุญข้อนี้มีความสําคัญนะเพราะคนโดยธรรมชาติเนี่ยผุ้ดชนมักจะมีความเห็นผิดไงบางทีก็ไม่เชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมักผลที่ผ่านมีแล้วก็มีความเห็นผิดด้วยเห็นผิดเช่นเห็นความไปเที่ยวเป็นของเที่ยง เห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเห็นของไม่งามว่างามอันนี้คือสัญญาวิปลาสแต่ถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเนี่ยเราก็เห็นเอา้าคนตัวเราเองตัวคนอื่นเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แก่เสื่อมโซ ล, ลงไปเดี๋ยวก็ตายตายจากกันไปหรือไม่ก็ป่วย แต่และคนเสื่อมหมดเลยอย่างคนที่เรารู้จักเนี่ยพอนานๆเข้าเราก็แก่เขาก็แก่หนักกว่าเราอีกยี่คนอายุเยอะกว่าก็งอมหมดสภาพอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ป่วยบางคนก็ตายไปก็มีแล้วก็น้อง ม, มาสอนใจเราสักวันเราก็ไปแบบเขาเพราะว่ามันเป็นธรรมด้าของชีวิตสิ่งของเหมือนกันของเนี่ยเมื่อจะเป็นบ้านเรือนวัดของใช้ต่างๆเนี่ยมันก็มีอายุ ข, ของมันเดี๋ยวก็เสื่อม ของบางอย่างเราเก็บไว้นานเอามาดูเนี่ยบางทีก็ใช้ไม่ได้ก็มีเสื่อไปเองตามบ้านต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลนะไม่ทำความสะอาดนะสีก็หมองหรือไม่ปวดก็ขึ้นมากินละทุกอย่างเป่นของไม่เที่ยงหมดดอกไม้ก็เหมือนกันพบานเดี๋ยวก็เหี่ยวสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์น่ารักแค่ไหนเดี๋ยวก็แก่เดี๋วก็ตายถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ทุกได้เวลาเกิดความไม่เที่ยงขึ้นมา คือทุกข์กับทุกน้อยไม่เยอะคนทั่วไปมักจะเห็นความทุกข์เป็นความสุขเช่นเห็นการเล่นการพ น, นันการกินเหล้าการเสพสิ่งเสพติดเป็นความสุขการเฮฮาสุขสนานสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความสุขเลยบางคนสามารถเล่นไพ่ได้ทั้งวันทั้งคืนลืมกินข้าวก็มีร่างกายก็อ่อนล้าแต่เขาชอบอบกม็มีความสุขหรือกีฬาอื่นๆมากมาย สนุกแต่บางคนเดินแทงได้ทั้งวันบางทีวันหนึ่งนี่เดินถ้าเดินนี่หลายสิบกิโลนะแต่ฟาร์ที่เขาเพลินเนี่ยเขาเลยลืมว่าเขาเดินหลายกิโลเดินบนรอบโต๊ะเนี่ยที่จริงถ้าเราพิจารณาดีแล้วพวกนี้คือความทุกข์นั้นเลยไม่ใช่ความสุขหรือการเล่นเน็ตบางคนชอบดูหนังเล่นเน็ตหรือเงี้ยดูแบบโอ้โหจนไม่หลับไม่นอนที่จริงคือความทุกข์แต่คนที่ ติดมากๆก็บอกงบนความสุขการเล่นเล่นเกมมันจนเหนื่อยโอ้โหเล่นเกมด้วยความเมามันอันนี้คือความทุกข์ไม่ใช่ความสุขความสุขก็คือการพักผ่อนการใช้ชีวิตให้สมดุลถ้าเราเข้าใจเข้าใจโลกตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็แยกออกเอ้ยอ้ น, นี่ทุกขนะ์นายที่สุขนะเราก็ไม่ไปหลงเพลอดเพลินกับมันใช้ทำประโยชน์ได้มีคอมมีโทรศัพท์มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเร า, าก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้พอเหมาะพอควร และดูแลสุขภาพด้วยและความเห็นผิดข้อที่สามก็คือความเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติจิตมันจะยึดว่าเนี่ยกูนะที่จริงมันตัวกูไม่มีหรอกมันมีแต่ธาตุดินน้ำโลไฟประชุมกันแต่จิตมันเน่ะมันเกาะว่าเนี่ยเป็นตัวกูของกูเพราะว่าพอเรารู้ว่าเป็นรัตตาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยแต่จิตมันยอมรับยากนะ เพราะมันลึกๆแล้วมันก็คิดว่ากูอยู่นั่นแหละแต่เราเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งฝัมเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆว่าเรา hey, ไม่ใช่ตัวตนนะตัวกูไม่มีนะพอมีผลกระทบใช่โดนดา่าหรือผิดหวัง้งโลกธรรมเนี่ยเราก็ไปทุกข์เท่าไหร่ถึงทุกข์ก็ทุกข์น้อยแต่ถ้าเรายึดตัวกูกวามากเนี่ยเลยทุกข์มากเลยเพราะตั ว, ตวกูเนี่ยเหมือนลูกโป่งแค่โดนญ่าก็แตกแล้ว เพราะว่าธรามะจริงๆแล้วมันก็เป็นการล้นละตัวตนลนละอัตตาแหละถ้าใครเข้าใจเรื่องอนันตตาเข้าใจเรื่องตัว ต, วตนทุกข์ก็น้อยลงถึงจะมีก็ไม่มากตรรามภาษาผู้ชุชนมาข้อที่4ี่เนี่ยไอเห็นของไม่งามเพาของงามโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราสกรปรกนะที่ออกทางตาขี้หูขีตาขี้มูกขี้ปากบางทีเรเ้องแปลงฟันอยู่เรื่อยเลยไหนจะอุจจระ ปัสสาวะอีกแถมข้างในเราก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคอาหารเก่าอาหารใหม่หมักหมมกันแล้วที่จริงแล้วเหงื่อออกมาถ้าขุมผนต่างๆร่างกายเรามีสกรปรกแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็โอ้โหน่ารักคนนี้สวยจังเลยคนนี้หล่อจังเลยคือจิตมันจะหลอกเราไงไม่เห็นลูกตาพอเป็นจริงถ้าเราเห็นตาพอเป็นจริงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นสุภาษิี่ดูสวยเพราะว่า มันมีหนังหุ้มอยู่ถ้าเกิดเอาหนังออกเนี่ยจะดูไม่ได้เลยแล้วคนเราก็มีความแก่อพอหนุ่มห ล, ล่อสวยไปแป๊บึงเดี๋ยวก็แก่และชรลาบางคนงอมเลยโอ้โหดูไม่ได้เลยไอ้ที่เคยสวยไว้เคยไปดาราหนังเคยสวยตอนหลังมาดูทีเอา้าไหนเป็นอย่างนี้ไปได้ไงเพราะว่ามันตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงอยู่ในความไม่งามงามไม่จริงถ้างามจริงก็ต้องงามทำจะงามตลอดไป ให้บุญทุกชนิดถ้าเราทําเป็นก็คือทําเพื่อลดรับการเหตุกาตัวทําให้ ต, ตัวตนเบาบางแล้วเราก็จะทุกน้อยลงแต่ทําไม่เป็นเราก็จะทําเพื่อเอานะทําเพื่อเอาเนี่ยจะทุกจิตที่คิดจะให้ย่อมดีกว่าจิตที่คิดจะเอาคนที่คิดให้มีความสุขมากกว่าคนที่คิดจะรับอันมาพูดมา ก, ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอจบลงแค่นี้ขอให้ญาตโยมมีความสุขมีความเจริญทำยิ่งขึ้นไปคิดไหลาถูกต้องก็ขอสมปทานาเอวัง